ัวเหี่ยวใช้ความพยายามอยู่หลายวันก็ยังไม่สบโอกาสที่จะเรียนถามข้อสงสัยจากท่านพระครูเพราะท่านไม่ค่อยมีเวลาว่างพอที่จะมานั่งให้ลูกศิษย์ซักถามได้เหมือนแต่ก่อนยิ่งกิติศัพท์ความดีงามของท่านเป็นที่เรื่องลือไปคนก็พากันมาฝากตัวเป็นลูกศิษย์ลูกหามากขึ้น มีผู้นิมนต์ท่านไปบรรยายธรรมตามสถาบันต่างๆอยู่เนืองๆจนแทบไม่เว้นแต่ละวันนับตั้งแต่ครูสริษซื้อรถตู้มาถวายท่านก็ไปไหนมาไหนสะดวกขึ้นโดยมีนายสมชายเป็นพลขับนายสมชายเล่า ว, ว่าแต่ก่อนที่ยังไม่มีรถไว้ใช้เวลาจะไปไหนท่านจะว่าจ้างนายอู่ให้ขับรถไปให้ แต่นายอูก็ทำให้ท่านต้องเสียงานอยู่บ่อยๆเป็นต้นว่าคืนไหนฝนร้ายรุ่งเช้าก็จะมาบอกว่าไม่สามารถขับรถไปส่งท่านได้เพราะกลัวจะเกิดบัติเหตุไม่ว่าท่านพระครูจะอ้อนวอนอย่างไรนายอูก็ไม่ยอมไปท่าเดียวครั้นจะไปว่าจ้างคนอื่นก็ไม่ทันการเพราะกว่าจะไปจะมาก็เลยเวลาที่เขานิมนต์ไว้แล้ว แต่ถึงนายอูจะกลัวอย่างไรก็ไม่อาจหนีกฎแห่งกรรมไปได้เพราะในที่สุดนายอูก็ประสบอุบัติเหตุรถคว่าเสียชีวิตเนื่องจากไม่รักษาสัจจ์เรื่องมีอยู่ว่าสมัยหนุ่มหนุ่มนายอูมีอาชีพล่องเรือค้าขายไปตามลำน้ำเจ้าพระยาซื้อสินค้าจากกรุงเทพมาขายต่างจังหวัดและนำสินค้าจากต่างจังหวัด ไปขายกรุงเทพกิจการก็รุ่งเรืองดีอยู่มีเรือของตัวเองหนึ่งลำและทำเป็นเรือโดยสารด้วยคือน 1. ขณะล่องเรือกลับจากกรุงเทพคนขับเกิดหลับในเพราะเป็นเวลาดึกมากแล้วเรือจึงพุ่งไปชนแก่งกลางแม่น้ำพลิกคว่าลงคนขับกับผู้โดยสารประมาณหหรือ6คนพากันจมน้ำตายหมด นายอู่กำลังจะจมน้ำก็เกิดห่วงแม่กับเมียตอนนั้นเมียกำลังตั้งท้องลูกคนแรกเขาจึงตั้งจิตอธิษฐานว่าขอให้ตนรอดชีวิตแล้วจะบวชอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรนายเวรหนึ่งพันสาปรากฏว่านายอู่รอดจากการจมน้ำตายอย่างปาฏิหาริย์และกลับมาถึงบ้านได้ไม่นาน พัญญาก็คลอดลูกออกมาเป็นหญิงเขาก็หาเลี้ยงลูกเมียเลี้ยงแม่อย่างไม่ยอมบวชก็อยู่ต่อมาจนมีลูกอีกหลายคนภายหลังได้ขายเรือมาซื้อรถที่รับจ้างส่งคนส่งของอยู่แถววัดมาระยะหลังๆนายอู่ฝันร้ายอยู่บ่อยๆคือฝันเห็นย ม, มาบาลมาต่อว่าต่อขานที่นายอู่เสียสัจจะ หากยังดื้อดึงไม่ยอมบวชจะต้องรถคว่ําคอหักตายเขาจึงได้มาเล่าให้ท่านพระครูฟังท่านก็ขอร้องให้บวชนายอู่ก็ไม่ยอมบวชทั้งยังขอร้องไม่ให้ท่านเล่าเรื่องความฝันให้แม่และเมียของตนฟังขึ้นไหนฝันรุ่งเช้านายอู่ก็จะไม่ยอมขับรถเวลาผ่านไปอีกหลายปีกระทั่งลูกสาวคนโต อายุ21และกําลังจะแต่งงานนายอู่ก็ฝันร้ายถี่ขึ้นท่านพระครูก็ขอร้องให้เขาบวชเพราะท่านรู้ว่าถ้าไม่บวชเขาจะต้องตายนายอู่ก็ดื้อดึงไม่ยอมบวชอ้างว่าถ้าบวชแล้วใครจะหาเลี้ยงแม่เลี้ยงเมียความจริงเขาจะบวชก็บวชได้เพราะลูกๆูกก็โตเป็นหนุ่มเป็นสาวกันหมดแล้วนอกจากไม่ยอมบวชแล้ว เขายังขอร้องท่านพระครูให้ปิดเรื่องนี้ไว้เป็นความลับอยู่ต่อมาไม่นานนายอู่ก็รถความคอหักตายจริงดังที่ฝันท่านพระครูรู้สึกเศร้าสลดใจ ท, ทั้งที่รู้ว่ามันเป็นกรรมที่เขาสร้างเองทำเองเรื่องพอจะแก้ไขได้เขาก็ไม่ยอมแก้ไขจึงต้องจบชีวิตลงอย่างน่าอเนตอนาถเช่นนั้น หลวงพี่ครับหลวงพ่อให้มานิมนต์นายสมชายมาบอกพระบเหียวในบ่ายวันหนึ่งหลังจากที่ท่านปฏิบัติกรรมฐานเสร็จนิมนต์ให้ไปที่กุฏิหลวงพ่อหรือพระหนุ่มเชื้อสายยวนถามอย่างยินดีเพราะจะได้ถือโอกาสเรียนถามข้อข้องใจสงสัยที่ติดค้างมาหลายวันปรารอรั บ, รบท่านให้มานิมนต์จะพาไปเจริญพระพุทธมนต์เย็นที่บ้านฝั่งโน้น ลูกสาวเข้าแต่งานครับเขานิมนต์พระวัดเราสามรูปวัดอื่นอีกหกรูปหลวงพ่อให้ผมมานิมนต์หลวงพี่กับพระมหาบุญบอกให้เอาย่ามกับตลปัดไปด้วยนายสมชายบอกกล่าวไปเดี๋ยวนี้เลยหรือท่านถามดีใจนักที่จะได้ออกงานสักพักก็ได้ครับหลวงพ่อจะออกห้าโมงนี่เพิ่งจะบ่ายสามโมง หลวงพี่ไปรอที่กุฏิท่านก่อน5้าโมงเย็นก็แล้วกันผมไปนะครับแล้วพระมหาบุญทันทราบหรือยังทราบแล้วครับผมไปเรียนท่านก่อนจะมาหาหลวงพี่เสร็จธุระนายสมชายจึงเดินกลับไปยังกุฏิท่านพระครูพระโบเฮียวจัดแจงสงน้ําขัดสีชวีวันอย่างพิถีพิถันกว่าทุกวันสงน้ําเสร็จ ก็จัดการนุ่งห่มอย่างเรียบร้อยรู้สึกตื่นเต้นที่จะได้ออกงานเป็นครั้งแรกของการเป็นบรรพชิตท่านถือตลปัดและย่ามเดินไปที่กุฏิท่านพระครูนั่งอยู่คนเดียวสักยี่สิบนาทีพระมหาบุญก็มาถึงผู้บวชที่หลังทำความเคารพภิกษุผู้เคยทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง ด้วยการกระาบสามครั้งมานานแล้วหรือโบเหี่ยวพระมหาบุญทักขึ้นก่อนสักครู่ใหญ่ๆหเห็นจะได้ลุงพี่มาก็ดีแล้วผมอยากจะเรียนถามอะไรสักหน่อยถามมากๆก็ได้ถ้าผมตอบได้ก็จะตอบรับรองว่าไม่ปิดบังอัมพรังเลยแม้แต่น้อยเป็นไงปฏิบัติไปถึงไหนแล้วข่าวว่า เป็นคนโปรดของหลวงพอ่อใช่ไหมคนจะถามกลับเป็นฝ่ายถูกถามเสียก่อนก็ไม่เชิงหรอกครับท่านเมตตาผมมากกว่าเห็นเป็นคนเสื่อๆสๆือสาท่านคงจะสงสารก็เลยเอาใจใส่มากหน่อยถ้าฉลาดหลักแหลมเหมือนลุงพี่ท่านก็คงปล่อยให้บินเดียวได้แล้วพระบุญเฮียวตอบอย่างเอาใจหลวงพี่แต่คุณก็ก้าวหน้าเร็วดีนตอนผมบดใหม่ ท่านก็ประครับประคองอยู่หลายเดือนกว่าจะปล่อยให้บินเดียวอย่างที่คุณเห็นหลวงพ่อท่านเป็นครูบาอาจารย์ที่ยอดเยี่ยมมากผมเคารพนับถือท่านจริงๆแม้พระมหาบุญจะพูดจากความรู้สึกที่ลึกซึง้งหากพระโบเหียวก็เข้าใจเพราะความรู้สึกของท่านที่มีต่อท่านพระครูก็ไม่แตกต่างไปจากนี้หลวงพี่ครับ ผมไม่เคยออกงานรู้สึกตื่นเต้นจนกลายเป็นความกังวลกลัวว่าจะวางตัวไม่ถูกหลวงพี่พอจะกรุณาแนะนำผมหน่อยได้ไหมครับได้สิทำไมจะไม่ได้เล่าไม่ต้องไปกังวลหรอกให้ทำตามที่หลวงพ่อท่านบอกก็แล้วกันเป็นต้นว่าเวลานั่งเขาจะเรียงตามอายุพรรษาสงสัยว่าคุณคงจะต้องนั่งท้ายแถวพระบ ท, ทีหลังเพื่อนอย่าประหม่า ก, ก็แล้วกัน บทสวดเจริญพระพุทธมนต์เย็นคุณก็ท่องได้หมดแล้วไม่ใช่หรือครับได้หมดแล้วแต่ไม่ทราบว่าเวลาสวดจริงๆจะจำผิดจำถูกบ้างหรือเปล่าจำถูกนะไม่เป็นไรหรอกแต่จำผิดคงไม่ดีนะักประเดียวจะทำให้ขายหน้าพระวัดเราเอาอย่างนี้ถ้าตอนไหนไม่แน่ใจก็ให้ออกเสียงเบาๆไม่มีใครเขารู้หรอกเพราะตอนสวด เราจะเอาตลปัดบังหน้าไว้ผู้แก่พรรษากว่าแนะนำพ่มก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะประหมามากน้อยแค่ไหนคงจะเขินมากเลยท่าถ้าอะไรพระมหาบุญซักรพระฝ่ายนั้นไม่ยอมพูดต่อถ้ามีสาวๆมาหนังฟังนะครับพระมหาบุญจึงถแถลงว่าต้องมีแน่ๆอย่างน้อย ก็เจ้าสาวคนหนึ่งละ่ะแล้วยังจะเพื่อนเจ้าสาวอีกคนหรือสองคนและถ้าเขารู้ว่าจะมีพระหนุ่มหนุ่มไปพวกสาวๆคงพากันแห่มาเชียวแหละสงสัยว่าคราวนี้คุณจะต้องศึกเซลามังพระมหาบุญยาวศึกน่ะไม่กลัวหรอกครับกลัวจะประมาอย่างหลังนี้จะแก่อย่างไรครับคุณก็กําหนดสิรู้สึกอย่างไรก็กําหนดไปอย่างนั้นปฏิบัติแล้ว ก็ต้องเอามาใช้ประโยชน์ให้ได้เอาเถอะตั้งสติเข้าไว้แล้วจะดีเองจำไว้แล้วกันว่าถ้าคุณคืนแสดงอะไรเปิลๆออกมาคราวหน้าคราวหลังหลวงพ่อจะไม่พาคุณไปไหนตอนไหนด้วยอีกถ้าอย่างนั้นผมจะพยายามเต็มที่เลยละครับจะได้ออกไปเปิดหูเปิดตาบ่อยๆแต่การไปไหนมาไหนบ่อยมันก็ไม่ดีสำหรับการปฏิบัตินะโบเฮีย เพราะจิตมันจะท่องเที่ยวไปรับอารมณ์อื่นไม่จดจ่อแน่วแน่อยู่กับอารมณ์กรรมฐานแต่ก็นั่นแหละถ้าเรากำหนดได้ทันมันก็ไม่เสียหายอะไรนึกเสว่าเป็นการหาแบบฝึกหัดมาให้จิตทำก็แล้วกันพระมหาบุญแนะนำในฐานะที่เคยอาบน้ำร้อนมาก่อนท่านพระครูลงมาจากกุฏิชั้นบน เมื่อเวลา17นาฬิกาเศษพระสองรูปที่นั่งรออยู่ทำความเคารพด้วยการไหว้แล้วลุกขึ้นเดินตามท่านไปยังรถที่นายสมชายรออยู่ท่านพระครูขึ้นไปนั่งตอนหน้าคู่กับคนขับส่วนพระมหาบุญกับพระบูเหียวนั่งถัดไปทางด้านหลังนายสมชายปิดประตูเรียบร้อยแล้วจึงออกรถวิ่งตรงไปออกสายเอเชีย แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ตัวจังหวัดซึ่งอยู่ด้านทิศเหนือของวัดประมาณ20นาทีก็ถึงทางแยกเข้าตัวจังหวัดจากนั้นต้องวิ่งย้อนลงมาทางใต้อีกประมาณสองกิโลเมตรจึงถึงท่าเรือที่จะข้ามไปยังบ้านงานที่อยู่ทางฝั่งโน้นสมชายเฝ้ารถรออยู่ฝั่งนี้ไม่ต้องข้ามไปด้วยท่านพระครูสั่งสิทธิ์วัด แล้วท่านจึงเดินนำลงไปรอเรือจ้างซึ่งมีเพียงลำเดียวครู่หนึ่งหญิงแจวเรือจ้างก็แจวเรือเปล่ากลับมาหลังจากส่งผู้โดยสารขึ้นฝั่งตรงข้ามแล้วนิมนต์หลวงพ่อจะ๊ะจะไปบ้านงานหรือจะ๊ะหญิงแจวเรือเช้อเชิญพร้อมกับตั้งคำถามในสังคมชนบทบ้านไหนมีงาน ก็เป็นอันรู้ถึงกันหมดทั้งตำบลไปทีเดียวสามไหวไม่จ้ะหนูหรือว่าต้องทีละคนท่านพระครูถามคนแจวซึ่งเป็นหญิงสาวอายุไม่เกิน20สิบเกรงว่าจะเกินเรี่ยวแรงของหล่อนเพราะน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาปริ่มขอบตะลิ่งเนื่องจากยังไม่สิ้นเดือน12สองระยะทางข้ามฟาก ดูกว้างไกลกว่าปกติพระโบเฮียวมีอันต้องกำหนดเขินหนอเมื่อศบตากับหล่อนไหวจ้ะนิมนต์ทั้งสามองค์เลยจ้าหญิงสาวตอบนั่นพายอีกอันไม่ใช่หรือพระมหาบุญชี้ไปที่ไม้พายซึ่งวางอยู่หัวเรือเอาอย่างนี้เดี๋ยวอาตมาจะช่วยภาย จะได้เบาแรงโยมหน่อยพูดแล้วท่านก็ลงไปนั่งที่หัวเรือจับไม้พายมาถือด้วยท่าทางธรรมะแมงเมื่อภิกษุอีกสองรูปขึ้นมานั่งในเรือเรียบร้อยแล้วหญิงสาวจึงออกเรือโดยมีพระมหาบุญช่วยแจวอยู่ทางด้านหัวส่วนหล่อนอยู่ท้ายท่านพระครูกับพระโบเหยวอยู่กลาง สองทุ่มเลิกหรื อ, อยังจนันหนูอาตมาต้องกลับประมาณสองทุ่มท่านพระครูถามขึ้นจากเรือแล้วต้องเดินไปอีกหลายนาทีกว่าจะถึงบ้านงานมีจ้ะหนูจะแจวจนถึงหโมงต่อจากนั้นพ่อเด็กเขาจะมาเปลี่ยนและไปเลิกเอาสองทุ่มครึ่งหญิงสาวตอบอ้อมีลูกมีผัวแล้ว แบบนี้ค่อยหายเคิรหน่อยพระบุยเฮียวพูดในใจรู้สึกโล่งอกเมื่อทราบว่าหล่อนมีเจ้าของแล้วเมื่อถึงฝั่งท่านพระครูจึงถามว่าเท่าไรหนูนิมนทจ์เชาวันถวายนึกว่าให้ฉันมีโอกาสได้ทำบุญก็แล้วกันอย่าเลยหนูกินแรงคนอื่นมันบาป เท่าที่หนูมีจิตศรัทธาก็ได้บุญแล้วอาตมาขออนุโมทนาเท่าไรจ๊ะท่านถามอีกคนละสองสลึงจะ๊ะหลวงพ่อให้ฉันมาบาทเดียวก็พอยิงสาวลดให้ห้าสิบสตางค์ท่านพระครูวางเงินไว้ให้สองบาทแล้วกล่าวว่าถ้าอย่างนั้นหลวงพ่อฝากซื้อขนมไปให้ลูกหนู อีกหนึ่งบาทขอบใจนะจ๊ะหนูหญิงสาวยกมือไหว้พลางกล่าวขอบคุณแล้วจึงรีบพายเรือเปล่ากลับไปรับผู้โดยสารที่กำลังยืนรออยู่ทางฝั่งโน้นร้านลมโชยเป็นร้านอาหารที่ขึ้นชื่อของตำบลตั้งอยู่ริมแม่น้ำติดกับท่าข้ามเรือขณะนั้นกำลังขายดิบขายดี มีลูกค้านั่งเต็มทุกโต๊ะโต๊ะที่ติดกับทางเดินมีแต่ผู้ชายล้วนกำลังตั้งวงเสพสุรากันอย่างครื้นเครงมีจานกับแกล้มแก้วและขวดเหล้าวางอยู่เต็มเมื่อเดินผ่านโต๊ะนั้นท่านพระครูกำหนดเห็นหนอแล้วจึงกระซิบกับพระบูเหียวว่าเธอคอยดูนะบูเหียวเดี๋ยวคนโต๊ะนี้จะตีกันถึงเลือดตกยางออก รอให้เมาได้ที่สะก่อนขากลับเราทันได้เห็นแน่หลวงพ่อรู้ได้อย่างไรล่ะครับพระบุยเฮียวถามตามความเคยชินเสียมากกว่าเพราะรู้คำตอบดีอยู่แล้วรู้ก็แล้วกันไม่เชื่อเธอคอยดูว่าจะเป็นอย่างที่ฉันพูดหรือเปล่าแล้วภิกษุสามรูปก็เดินผ่านร้านนั้นเพื่อไปอยังบ้านงาน หลังจากการเจริญพระพุทธมนต์เย็นเสร็จสิ้นลงเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงจึงกล่าวลาเจ้าภาพแล้วพาภิกษุอีกสองรูปกลับวัดส่วนพระอีกหกรูปมาจากวัดทางฝั่งนี้จึงไม่ต้องไปข้ามเรือขณะเดินกลับพระมหาบุญถามพระบยเฮียวว่าไงคุณหายตื่นเต้นหรื อ, อยังจุลครับเหลืออีกนิดเดียวกาจะหายต้องขอขอบคุณหลวงพี่มากๆเลย ผมพยายามนึกถึงคําแนะนาของหลวงพี่เกือบตลอดเวลาเพื่อนเจะสาวข็สวยจนผมประมาฟังแล้วท่านพระครูอดรนทนไม่ได้จึงขัดขึ้นว่ารู้สึกว่าเธอจะชื่นชมแต่คนสวยๆเท่านั้นนะบัวเหี่ยวไม่รู้หรอกหรือว่าสตรีคือศัตรูพรมจันทร์พระบวัวเหี่ยวตอบล้อเลียนว่า อาตามาหูมดแต่กะอดบอดายทำพูดดีไปเถอะแล้วอย่ามาหาว่าฉันไม่เตือนก็แล้วกันท่านพระครูนึกมันไส้ดูท่าทางคุณคงอยากจะศึกช่ไมคุณโบเฮียวพระมหาบุญถามอยากครับผมอยากศึกออกไปแต่งงานเห็นเขาแต่งกันแล้วผมก็อยากแต่งบ้าง พระโบเ h ีย l สารภาพแล้วคุณคิดว่าจะได้แต่งหรือเปล่าคิดว่าน่าจะได้ลุงพี่ไม่เห็นหรือพระวัดป่ามะม่วงตั้งหลายรูปที่เขาหล่อน้อยกว่าผมก็ยังสึกออกไปแต่งงานแล้วทําไมผมจะทําอย่างนั้นบ้างไม่ได้มันไม่ได้อยู่ที่ดีกรีของความหล่อหรอกแต่มันอยู่ที่กรรมถ้าเราไม่เคยทํากรรมกับใครไว้ ก็ไม่ต้องมาชดใช้คนที่เขาแต่งงานกันก็เพื่อจะมาร่วมกันใช้กรรมสำหรับเธอเขาเรียกว่าไม่มีคู่กรรมเชื่อสิชาตินี้เธอไม่มีโอกาสได้แต่งงานหรอกท่านพระครูชี้แจงคำพูดของท่านจึงไปทำให้ใจของพระโบเหียวเหี่ยวแห้งหดหู โดยที่ท่านมิได้เจตนาเมื่อเดินทางถึงท่าน้ำก็ต้องรอเรือซึ่งเพิ่งจะบรรทุกผู้โดยสารสองคนออกจากฝั่งไปคงต้องยืนรออีกหลายนาทีกว่าเขาจะพายกลับมารับพระจันทร์ค่อนดวงลอยเด่นอยู่กลางฟ้าผู้ผู้ชายที่นั่งกินเหล้าอยู่โต๊ะติดทางเดิน ยังไม่มีใครลุกไปไหนเสียงที่คุยชักจะดังมากขึ้นเพราะต่างก็กําลังได้ที่แล้วใครคนหนึ่งก็สะบัขึ้นว่ามาตัวไหนมันตดวะต้องใส่แม่มันคงใส่เนา่าไม่ชิรภายเลยพูดด้วยความโกรธผสมกับความเมาพออย่างนั้นมันก็ไม่สวยสิวะเรื่องขี้เรื่องตอดมันอดกันไม่ได้ว่อหรือว่าแม่มึงไม่เคยตด ชายที่นั่งติดกันพูดโกรธท่านพระครูจึงกระซิบกับพระโบเหียวว่าคอยดูนะเดี๋ยวได้ตีกันลุงผอไปห้ามไว้ซะ ก, ก่อนไม่ดีหรือครับพระโบเหียวออกความเห็นเพราะเกรงจะถูกลูกหลงท่านพระครูตอบว่าพูดกับคนเมาจะไปรู้เรื่องอะไรดีไม่ดีจะเจ็บตัวอีกด้วย ก็คนไม่มีสติสัมปชัญญะไม่ว่าหน้าอินหน้าพรมพ่อซัดได้ทั้งนั้นเสียงทะเลาะรุนแรงขึ้นมีการด่าอย่างหยาบคายในที่สุดก็แบ่งออกเป็นสองฝ่ายแล้วก็ถึงขั้นตะลุมบอลกันหลวงพ่อทำไงดีทำไงดีงดพระโบเฮียวกระซิบเสียงสัน่นขาก็สั่นตามไปด้วยเฉยไว้ ไม่ต้องกลัวมากับฉันรับรองว่าปลอดภัยพระบูฮียวทชำเลืองไปที่โต๊ะนั้นเห็นคนหนึ่งคว้าขวดเหล้าฟาดลงบนศีรษะของอีกคนผู้ถูกฟาดล้มฟุบขาโต๊ะเลือดแดงฉานหลวงพ่อครับผมจะเป็นลมอยู่แล้วพระบูฮียอลรู้สึกใจสัน่นขาสั่นพับๆเคยเห็นแต่เลือดอวัวเลือดควาย ไม่เคยเห็นเลือดคนกำหนดสิโบฮีวพระมหาบุญแนะนำกำหนดไว้ไว้ครับมันกลัวจนต่างสติไม่ได้งั้นก็แปลว่าวันนี้คุณสอบตกต้องกลับไปฝึกอีกมากๆโน่นไงเรือมาโน่นแล้วเมื่อเรือเข้ามาจอดเรียบร้อยสมภารหนึ่งรูปกับลูกวัดสองรูปจึงพากันลงเรือคราวนี้พระมหาบุญ ไม่ต้องช่วยแจวเพราะฝีพายเป็นชายหนุ่มรูปร่างกำยำล่ำสันนั่งกันเรียบร้อยแล้วท่านพระครูจึงเอ่ยขึ้นว่าเห็นไหมบัวเหี่ยวเห็นโทษของการขาดสติหรื อ, อยังนี่ถ้าคนพวกนั้นพากันมาเข้ากรรมฐ า, านก็จะไม่มีเรื่องต้องตีกันหัวร้างข้างแตกอย่างนั้นนั่นสิครับ แถวจหมอนนั่นกำหนดได้กลิ่นน้อเสียก็คงไม่มีเรื่องนี่จะมีคนตายไม่ครับหลวงพ่อถามอย่างเป็นห่วงไม่หรอกเดี๋ยวตารวจเขาก็มาจัดการท่านพระครูตอบผมว่าสาเหตุของเรื่องมันไม่ได้อยู่ที่การไายลมรอกครับหลวงพ่อมันอยู่ที่เล่าต่างหากคนพวกนั้นพอเล่าเข้าปากก็เห็นช้างตัวเท่าหมู พระมหาบุญว่าไม่ว่าคนพวกนั้นหรือคนพวกไหนหรอกพอเมาขึ้นมาก็ต้องเป็นแบบนี้ทั้งนั้นไม่งั้นพระพุทธองค์ท่านจะสอนหรือสุราเมรยมัชชะปมาทฐานาสุราเมไรัเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทศีลข้อนี้สาคัญที่สุด เพราะท่านละเมิดข้อนี้ข้อเดียวก็สามารถละเมิดข้ออื่นๆได้ทั้งหมดฉันถึงอยากให้ทุกคนเจริญสติปัญญาสีจะได้ไม่ขาดสติแต่บางคนเขาก็ชอบที่จะอยู่อย่างไม่มีสตินะครับหลวงพ่อเพราะถึงเขาจะรู้ว่าสุราทำให้ขาดสติเขาก็ยังดื่มทั้งๆ ท, ท, ที่รู้คนพวกนี้ น่าสงสารนะท่านมหาสงสารทำไมครับหลวงพอ่อผมว่าเราไม่ควรสงสารคนชั่วพระบูเหียวขัดขึ้นเธอไม่รู้อะไรคนชั่วนั่นแหละน่าสงสารเพราะเขาไม่รู้ว่านารกกำลังรอเขาอยู่ก็เลยประมาทมัวเมาในชีวิตคนทุกวันนี้ มักจะตั้งอยู่ในความประมาทกันเสียเป็นส่วนใหญ่หน่าเสียดายที่เกิดมาเป็นมนุษย์แต่ไม่ได้ใช้ความเป็นมนุษย์ให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงขึ้นจากเรือภิกษุทั้งสามรูกจึงเดินไปที่รถซึ่งนายสมชายเตรียมเปิดประตูรอไว้แล้วเป็นไงรอนานไหม ท่านพระครูถามก็หลับไปตื่นหนึ่งละครับแต่ไม่ไหวยุงชุมชมัดอากาศหนาวๆอย่างนี้ไม่น่ามียุงสิทธวัตรพูดเป็นเชิงบนขณะที่นั่งมาในรถพระมหาบุญเปิดฉากการสนทนาขึ้นว่าความไม่ประมาทนี่สำคัญนะครับหลวงพ่อขนาดพระพุทธองค์จะปรินิพพานอยู่แล้วยังทรงเตือนภิกษุทั้งหลายให้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาท ถูกแล้วสมัยที่ยังทรงพระชนอยู่ก็ตรัสสอนเรื่องความไม่ประมาทบ่อยครั้งทรงอุปมาอุปไมยว่ารอยเท้าของสัตว์บกทั้งหลายชนิดใดๆก็ตามย่ำลงในรอยเท้าช้างได้ทั้งหมดรอยเท้าช้างเรียกว่าเป็นยอดของรอยเท้าเหล่านั้น โดยความใหญ่ฉันใดกุศลธรรมทั้งหลายย่อมมีความไม่ประมาทเป็นมูลประชุมลงในความไม่ประมาทได้ทั้งหมดความไม่ประมาทเรียกได้ว่าเป็นยอดของธรรมะเหล่านั้นฉันนั้นแม่ลุงพ่อยังกะเป็นตู่พระไตเปรดกเคลื่อนที่นะพระมุยเฮียวออกปากชม แต่แล้วกลับตั้งข้อสงสัยว่าแล้วเราจะแน่ใจได้อย่างไรว่าเป็นพุทธพทธจน์จริงๆเพราะพระพุทธเจ้าก็ปรินิพพานไปตั้งสองพันกว่าปีแล้วเป็นชาวพุทธถ้าไม่เชื่อคำพีพระไตรปิฎกก็เอวังเท่านั้นเองจริงๆนะบัวเหี่ยวฉันไม่ค่อยเข้าใจเธอสักเท่าไหร่ เรื่องที่น่าสงสัยเธอก็ไม่สงสัยแต่เรื่องที่ไม่น่าสงสัยเธอกลับสงสัยรู้สึกว่าเธอชอบทวนกระแสอยู่เรื่อยเชียวนะเอาอย่างนี้ก็แล้วกันพระธรรมคำสอนเป็นสิ่งท้าทายให้พิสูจน์ถ้าไม่เชื่อก็ต้องพิสูจน์ด้วยตัวเอง แล้วเธอจะรู้ว่าพระารรมคำสอนเป็นสัจธรรมโดยแท้ท่านพระครูถือโอกาสเทศนอกธรรมาศาสผมเชื่อครับเชื่ดโดยไม่ต้องพิสูจน์เพราะรู้ว่าลุงพอพิสูจน์มาหมดแล้วนี่ครับคนถูกเทศตอบเสียงอ่อยนายสมชายขับรถออกจากตัวจังหวัด แล้วเลี้ยวเข้าถนนสายเอเชียประมาณส0สนาทีก็มาจอดที่หน้ากุฏิท่านพระครูพระบยญเฮียวถือโอกาสถามเจ้าของกุฏิว่าพรุ่งนี้เช้าลุงพ่อมีธุระไปไหนหรือเปล่าครับอ๋อลืมบอกไปพรุ่งนี้เป็นวันแต่งเราต้องไปถึงบ้านงานเจ็ดโมงเจริญพระพุทธมนต์ ชั้นเช้าแล้วก็กลับวัดประมาณสิบโมงจะมีโยมมาหาจะมาสร้างหอประชุมให้ต้องใช้เงินเป็นล้านเที่ยวนะท่านมหาประโยกหลังท่านพูดกับพระมหาบุญเขามีหนังสือมาบอกหลวงพ่อหรือครับพระมหาบุญถามเปล่ารอก แล้วทำไมลุงผอสาบล่ะครับพระบูเหียวถามทั้งที่ไม่น่าจะถามก็เห็นหนอเขาบอกเมื่อตอนเช้ามืด น, นี่เองท่านพระครูตอบท่านรู้ว่าพระบูเฮียวมีข้อสงสัยอยากจะไต่ถามจึงพูดตัดบทว่าเอาเถอะพรุ่งนี้ฉันจะให้เธอกับท่านมหา อยู่ฟังด้วยหลังจากนั้นเธอมีอะไรจะถามก็ถามได้พระบูฮียวลดีใจอย่างบอกไม่ถูกขณะที่พระมหาบุญรู้สึกเฉยเฉยเพราะท่านสามารถปรับความยินดียินร้ายให้สมดุลกันได้แล้ว